เกี่ยวกับเรื่องการสันโดษนี้เป็นอย่างว่าเกื้อกูลต่อการบำเพ็ญสมณธรรมอันที่จริงถ้ากล่าวตามเนติปรกรณ์เนี่ยสันโดษอยู่ในกระถาวัตถุ1ิบใช่ไหมเรื่องที่ควรพูด10ประการคือเรื่องหนึ่งมักน้อยสองสันโดษ 3. ไม่คลุกคลี 4. วิเวก 5. ปรารบความเพียน สีนนะสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะเรียกว่ากถาวัตถุสิ่งที่ควรสนทนาการมี10อย่างเพราะฉะนั้นก็มงคล38ก็นับเนื่องในกถาวัตถุนั่นแหละมันถ้ากล่าวเฉพาะสันโดษก็เชื่อว่ากล่าวมักน้อยไปแล้วด้วยแต่ก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งใส่สมอดองกับน้ำมูดเน่าลงในภาชนะใบหนึ่งใส่ของมีรสอร่อย4อย่างลงในภาชนะใบหนึ่ง ก็แปลว่ามียาแบบอร่อยคือแบบแบบเยี่ยมะนะกับแบบน้ำาเรียกว่ายาดองนะบางท เ, เมื่อถูกเพื่อนพิสูบอกว่าท่านต้องการสิ่งใดก็ถือเอาสิ่งนั้นเถิดถ้าว่าอาพาธของพิสูนั้นระงับไปด้วยสมอดองน้ำมูดเน่าและของรสอร่อยทั้งสองอย่างใดยอย่างหนึ่งซ้ายเมื่อเป็นดังนั้นเธอคิดว่า ธรรมดาสมอดองด้วยมูดเน่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญแล้วและพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าบันปชาอาศัยมูดเน่าเป็นเพสัชนะถ้าอย่างอื่นเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ําอ้อยชื่อว่าลาบเหลือเฟือนนะเพราะฉะนั้นก็ทําความอุตสาหะในมูดเน่าเป็นเพสัชนั้นจนตลอดชีวิตปฏิเสธของมีรสอร่อยเป็นเพสัชนะคือในอนุสาสตร์8เนี่ยอนุสาสตร์แปเนี่ย ก็คือห้าเป็นข้อห้าม ส, สัสี่เช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องประราชิกสี่เนี่ยนะก็ห้ามบอกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปจัจใจสี่ว่าจีวนเนี่ยนะให้ถือเอาผ้าบังสกุลเป็นต้นแต่ถ้ามีเขาถวายพวกสมณะบริขารชื่อว่าอดีเกรกลาบแปลว่าลาบเหลือเฟอือ เพราะฉะนั้นถึงไม่มีใครถวายก็เพึงอุตสาหาโนอนไปหาเก็บเอาเศษผ้ามาปะเย็บยอ่เอเย็บปติปะต่อเพื่อจะนุ่งจะห่มเธอถ้าเขามีเขาถวายก็ชื่อว่าเป็นอดิเรกลาบแปลว่าลาบเหลือเฟือส่วนบินธบาดก็ได้มาจากปลีแค่ปลีกแข้งนะแต่ถ้ามีคนถวายก็ชื่อว่าเลาบเหลือเฟือที่อยู่อาศัยก็ให้ถือโคนไม้ถ้ามีใครให้กุฏิก็ถือว่าลาบเหลือเฟือถือว่าอดิเรกลาบยุกยาทั้งหลายถ้าป่วยไข้ก็น้ำํำสมอดองกับน้ำมูด ก็นับว่าเป็นยาเภสัชก็เพียงพอแล้วแต่ถ้ามีเนยใสยเนยข้นเป็นต้นก็ชื่อว่าลาบเหลือเฟือว่างั้นเป็นอะเรกลาบอะติเรกล่าบเนี่ยแปลว่าเป็นการได้ที่เหลือเฟือว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ตั้งอยู่ในสมมนธรรมตามอนุสตัตที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างนั้นก็ ชีวิตสมณะเพศก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะปรารบไว้เลยว่าถ้านุ่งผ้าเนี่ยนะอย่างยุคนี้เนี่ยเป็นสมัยที่เรียกว่าอุ้ผ้าอะไรจะมากเท่ายุคนี้ไม่มีแล้วพระพิสูงหล์เนี่ยผ้าเยอะจริงๆเนี่ยบางทีถ้าบางแห่งเนี่ยนะก็เก็บเอาไว้จนเก่าจะได้เอาไปทิ้งได้จะไปทิ้งเลยก็เกรงใจเขาเอเก็บเอาไว้เก่านะก็ไม่มีใครใช้อะนะจริงๆแล้วพระพิสูเนี่ยปีหนึ่งอย่างมากก็ใช้ไม่เกินสองพืนสองพืนนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะ เพราะมันก็สีเดิมๆเหมืนนมันจะไม่ได้ไปออกสีนั่นแต่งสีนี่มันก็ไม่มีมันก็สีเดิมๆถ้าใช้ปีหนึ่งสองผืนนี่ถือว่าเปลืองมากแล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีห้าปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ห้าปีนี่รับห้าสิบครั้งอะ่ะควรจะเอาผ้านั้นไปทําอะไรนะไปให้คนอื่นคนหนึ่งเขาก็มีพอๆกันไปเกือบหมดอย่างเงี้ยนะทำไงก็เก็บเอาไว้จนกว่ามันจะเก่ า, มาแมลงสาบกัดบ้างอะไรบ้างก็อ่าจะด่าประทิงได้มาละแล้วยิงย่งผ้าไม่ได้ใช้ด้วยก็โอ้เก็บเอาไว้ทิงงอยย่าเดีว บางแห่งเนี่ยนะวัดมีพระอยู่สามรูปแต่ผ้าเป็นกุดังเลยเนี่ยนะผ้ามากก็หีบที่บ้านโยมอีกเหมือนกันเก็ <c oughs> บไว้จนเก่าแล้วก็จะได้เอาไปทิ้งจนบางแห่งอกีกสมมเนรบางรูปใช้ไม่เป็นเนี่ยนะอ้ า, าวเช้ามาก็เปลี่ยนเอาผ้าพื้นนี้ไปหอมเย็นมาก็มาถอดไอ้ผืนที่หอมไม่ได้ซักหรอกมาเก็บไว้เอาพื้นใหม่ไปหอมแล้วก็มุนเวียนอย่างนี้ก็เลยป้าแล้วนะ่ะเหม็นสาบไปหมดต <c oughs> ั้งห้องอย่างนี้ก็มี ก็มีหลายประเภทผ้าในยุคนี้ก็นับว่ามีมากเนี่ยนะมากจริงถ้าเทียบกับโบราณสมัยคุณปู่ทั้งหลายเนี่ยาหายากมากานะผ้าสมัยรุ่นคุณปู่เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยผู้การเด็กๆเนี่ยก็สมัยนั้นเนี่ยพระภิกษุคงหาผ้ายากมากเนี่ยหายากจริง เกี่ยวกับเรื่องสันโดษเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยประเภทเชื่อว่าสันตุ ธ, ธีสันโดษนั้นทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบการณ์ละบาปธรรม ท, ทั้งหลายมีความปรารถนาเกินส่วนความมักมากและความปรารถนาลามมกเป็นต้นอันนั้นก็คือละความทุศีนโดยประการต่างๆปัจใจสีเนี่ยนะเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาตันหกปาทานสีเมื่อวานก่อนเมื่อวานนะ้ที่พูดถึงตันหกปาทานสีเนี่ยตันหาเมื่อจะเกิดเกิดใน 1จีวอนสอเกิดในอาหาร3เกิดในที่อยู่อาศัย4เกิดในายารักษาโรคเพราะฉะนั้นปัจจัย4นี้ชื่อว่าเป็นที่เกิดของตัณหาสี่ประการท่รานั้นก็ผู้ที่มีตัณหาปรารถนาปัจจัยเหล่านี้โดยมากก็ทุศีนเพื่อต้องการปัจจัย4ี่อย่างเช่นพวกจีวอนเนี่ยนะจีวอนนี้พระพิสุต้องการเนี่ยไม่ใช่ว่าขอได้นะคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวรนาเนี่ยนะ คือเขาไม่ได้เอ่ยปากเอาไว้เนี่ยเราไปขอผ้าเขาไม่ได้นะนะผ้านั้นถ้าขอได้มาก็เชื่อว่ามีความผิดนะนะหรือแม้กระทั่งพวกอาหารทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะโดยมากเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยสอย่างนี้ทั้งนั้นน่ยส่วนใหญ่นะเป็นประราชิกก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เรื่องจีวร ล, ลักขโมยจีวร ล, ลักขโมยผ้าเป็นต้นนั่นแหละก็อธินาทานสิกขาบทใช่ไหม ก็ลักขโมยไม้เพื่อมาทําเสนาสนะเนี่ยเหมือนเหมือนเมื่อไม่นานเนี่ยพระพิสุไปอยู่ป่าแห่งหนึ่งก็โค่นไม้ต้นเบิ่มเลยนะใ น, ในที่ดินของป่าไม้แล้วก็มาสร้างกุฏิเขาก็นี่มนไปเข้าห้องขังเนี่ยนะมีนะจับเซิกเสร็จก็เข้าห้องขังไปเลยก็มีที่เมื่อไม่นานเนี่ยที่ต่างจังหวัดทงางภาคอีสานนั้นก็เกีเ่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยนะบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องผ้าบ้างเรื่องอาหารบ้าง ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุศีนเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักสันโดษในปัจจัย4ี่ศีนก็จะดีเพราะว่าความทุศีนทั้งหลายก็เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสี่นั่นแหละเช่นเห็นแก่ปากแก่ท้องก็ยอมเสียศีนเสียธรรมทั้งหลายถ้าเป็นผู้สันโดษในปัจจัยสีก็จะทําให้ละความปรารถนาเกินส่วนละความเป็นผู้มกักมากละความปรารถนาะอันเป็นบาปปรารถนาลามกเนี่ยคำว่าลามกนี่หมายความว่า อยากจะอวดตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีคุณให้คนอื่นเขารู้ว่าตนเนี่ยเป็นเพื่มีคุณเขาจะได้ถวายปัจจัยสี่แก่ตนเช่นตัวเองไม่มีศรัทธาหรอกไม่มีศีลไม่มีฮิริโอตัปะอะไรแต่ทำตัวเทียมๆเนะี่ยทำตัวเหมือนคนมีเหมือนนี่แสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆอะ่ะต้องการเพื่อจะเอาเอาลาบเอาปัจจัยสี่นั่นแหละทั้นถ้ารู้จักสันโดษในปัจจัยสี่สอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาเลย เนะคัก็ไม่ต้องไปทำบาปทำมากุศลเพื่อเพื่ออะไรทั้งนั้นแหละขณะเดียวกันนั้นความเป็นผู้รู้จักสันโดษข้อแรกโดยรวมๆก็คือละความทุศีลหรือละความคดทางกายทางวาจาและทางใจนั้นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสันโดษอย่างนี้ก็ประพฤติเหตุแห่งสุขติเพราะเป็นเครื่องอบรมอริยมรรตเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้อยู่ได้สบายในทิศ ท, ทั้งสี่ ที่จริงผู้ที่สันโดษในปัจจัยสีเนี่ยนะทิศใดเขาก็อยู่ได้ประเทศไทยนี้อยู่ได้ทุกภาคเลยเพราะงั้นแต่ขอให้สันโดษเถอะอันน้นผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมเป็นผู้อยู่สบายในทิศ ท, ทั้งสี่และไม่มีปฏิฆะเลยบางแห่งบอกว่าคนที่รู้จักสันโดษนะชื่อว่าผู้มีทรัพย์มากแล้วนนถ้าถ้ารู้จักสันโดษนี่ก็ชื่อว่าผู้มีทรัพย์แล้วใช่ไหมถ้ามีมากแต่ถ้าไม่รู้จักสันโดษนะ ก็เป็นคนยากอยู่นั่นแหละนั่นนะทนก็ความเป็นผู้สันโดษเนี่ยก็จะอยู่สบายในที่ทั้งสีแล้วก็ไม่ค่อยกโกรธอะไรง่ายๆไม่รู้จะกโกรธทํทาไมเพราะว่าถ้าโกรธนะก็เพราะไม่ได้ใช่ไหมโกรธก็เพราะไม่ได้ผ้าบ้างโกรธเพราะไม่ได้อาหารบ้างโกรธเพราะไม่ได้ที่อยู่อาศัยบ้างโกรธเพราะไม่ได้ยาบ้างถ้าไม่มีความต้องการในสิ่งเหล่านั้นจะกโกรธทําไมนะเพราะฉะนั้นก็ไอความต้องการนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความ ผัดเครืองเนี่ยนะทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นก็เป็นมงคลนะเพราะว่าสันโดษนั้นเป็นมงคลเพราะเหตุและบาปอากุศลเป็นปัจจัยแห่งสุขติเป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออริยมรรคเพราะเป็นเครื่องบ่มอริยมรรคันนะแล้วก็ทิศทั้ง4ี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ไ ด, อได้อยู่ได้อย่างภาสุขถ้ามองว่าต้นไม้คือกุฏิได้นะที่ไหนจะอยู่ไม่ได้ไม่มีนันเะ บางรูปเนี่ยเห็นเสาไฟฟ้าก็ได้ที่นอนแล้ววันนี้ถามถามว่าเห็นไงคือคือปกติเนี่ยท่านจะมีร่มอยู่อันหนึ่งอยู่แล้วนนะถ้าเป็นซะหน่อยนะขเขาจะเอาไม้อันหนึ่งไปเสียบกับรูเสาไฟฟ้าก็แขวนกรดก็อยู่ได้อยู่แล้วก็นอนหลับได้เหมือนกันแต่ก็สังเกตด้วยนะเพราะว่าไอ้ตาปลาที่บางทีอะไรอุจระมันเยอะเหมือนกันในข้างๆแถวๆนั้นนะเราหวังให้ดีกันแล้วกันก็อันทะี่จริงถ้า ไม่คิดอะไรจนเกินไปเนี่ยทนำะมุ้งส ม, มณธรรมจริงๆที่ไหนก็นอนได้ไม่น่ามีปัญหาะนะซึ่งถ้าจะเย็บมุ้งมุงก็ทําไม่ยากเหมอนนะเพราะมุ้งมันมันเอาผ้าจีวรเนี่ยสองผืนมาเย็บต่อกันมันเป็นมุงไปเรียบร้อยล้ะเอาร่มอีกอันหนึ่งนะก็ทำหูรูดซะหน่อยเอาเชือกมาก็เรียบร้อยอยู่ได้แล้วไม่เห็นยากอะไรเลยะนะทีนี้มาดูมงคลที่ยี่สิบห้ามงคลที่ยี่บห้าคือกระตัมยู กตันยูนี่แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม嘛นะกลุ่มแรกก็คือความรู้จักอุปการะคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งทํามาแล้วไม่ว่ามากหรือน้อยโดยการระลึกถึงเนืองๆชื่อว่ากตันยูตาผู้มีอุปการะคุณต่อเราเพราะฉะนั้นคนที่มีกตัญญูจริงๆนะเห็นทุกคนเนี่ยสามารถระลึกได้ว่าคนนั้นช่วยอะไรเราไว้บ้าง ระลึกถึงสิ่งที่เขาทําต่อเราได้หมดเลยคนนี้ช่วยเรื่องนี้แกเราคนนั้นมีอุปการะต่อเราในเรื่องนั้นๆเป็นต้นเนี่ยนะสามารถระลึกเห็นความดีของเขาทั้งหมดที่เขาเขาทําต่อเรานนะลักษณะนี้เรียกว่ากตันยูตาความกระตันยูอันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลอันหนึ่งอันนี้ในที่สองว่าบุญทั้งหลายนั่นแหลมีอุปการะมากแก่ศัตว์ทั้งหลายเพราะป้องกันทุกมีทุกในนรกเป็นต้น ดังนั้นการระลึกถึงบุญหรือระลึกถึงอุปการะของบุญเหล่านั้นเพิงซทราบว่ากตัญญูถ้าแบ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มดังกล่าวนันนะเช่นเห็นเห็นใครหรือระลึกถึงใครก็ต้องคนเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะต่อเรามากในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเช่นให้ทานก็ระลึกถึงทานเจตนาที่ได้ทำไปก็เพราะทานเหล่านั้นก็เป็นเครื่องอุปการะมาก หรือระลึกถึงกุศลศีลทั้งหลายนะที่เรียกว่าศีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยเวลาเราระลึกถึงศีลศีลเป็นเหตุแห่งสุขติใช่ไหมก็ระลึกถึงเออศีลนี้มีอุปการะมากหรือระลึกถึงบุญประเภทเมตตาเป็นต้นหรือบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เจริญไปถ้ามันระลึกถึงคุณงามความดีหรือบุญกุศลที่ทําไปอย่างนี้ก็เรียกว่ากตันยูแต่ว่ากตัญยูในแง่นี้คนไม่ค่อยเอามากล่าวถึงนะก็กล่าวถึงเฉพาะในยะแรกที่กล่าวถึงว่า ผู้อื่นเขามีอุปการะคุณต่อต่อเราความกะตัญยูทั้งสองอย่างดังกล่าวไปเนี่ยนะเรียกว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่างๆมีเป็นผู้อันสัตว์บุรุษทั้งหลายพึงสรรเสริญเป็นต้นก็ใครก็ยกย่องอะนะเพราะว่ากะตัญญูนี้นับเป็นปุริสธาสัพปุริสธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายบุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลกคือหนึ่งบุพการีสองกระตันยูกระตะเวทีบุคคลบุพการีเนี่ยนะที่ยากเนี่ยเพราะอะไรในหนังสื อ, อวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ท่านบอกเลยว่าบุพการีที่หายากเพราะโลภะมันมีกำลัง กระตันยูบุคคเนี่ยนะกะตันยูกระตะเวทีบุคคลหายากก็เพราะโมหะมีกำลังก็คิดดูนะว่าโลภะห่วงแหนในทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ค่อยคิดเอาไปให้ใ ห, ให้ก่ใครง่ายๆเพราะความยึดติดใช่ไหมยึดติดในข้าวของเครื่องใชย้ยึดติดในปัจจัยทั้งหลายที่ตนมีอยู่ก็ไม่อยากจะสละไม่อยากจะให้ใครไปอันนี้แหละโลภะใช่ไหมเป็นเหตุให้ไม่ยอมที่จะเป็น บุคภการีแก่บุคคลอื่นเนี่ยนะทั้นใครที่ทําอุปการะก่อนต่อบุคคลอื่นนี่ก็นับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะจะต้องต่อสู้กับโลภะเป็นอย่างมากนะโลภะมันหวงแหนใช่ไหมที่เราจะช่วยเหลือใครที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกับบุคคลต่างๆไม่ใช่ของง่ายเนี่ยก็เพราะฉะนั้นบุคภการีเนี่ยจึงหายากเนี่ย น, นะส่วนกตัญญูกะตะเวทีนี่บุคคลที่ระลึกถึง ความดีที่คนอื่นเขาทําแก่ตนก็ยากเพราะโมหะมันมีกําลังปกปิดลืมหมดเลยโดยมากนเป็นอย่างนี้นะเราทําอะไรแก่คนอื่นเราจําได้หมดใช่ไหมที่คนอื่นทําอะไรแก่เรานึกไม่ค่อยออกมีอะไรบ้างอันนี้แหละเครียกว่าลักษณะของอสสัตวบุรุษแต่ถ้าเป็นสัตว์บุรุษนะทำความดีอะไรกับคนอื่นก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่คนอื่นทําอะไรกับตนนี่ให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นเราจะต้องตอบแทน เพราะเขาเนี่ยระลึกถึงกตันยูใช่ไหมผู้ที่เป็นบุพการีนั้นเป็นคนที่หายากกตัญยูกะตะเวทีบุคคลก็หายากใครที่เป็นบุพการีนะถ้าฟังข้อความตรงนี้ก็อย่าไปคิดถึงกตันยูกระตะเวทีบุคคลให้มากนักนะนะก็เหมือนเขาเรียกว่าถ้าเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเอาเอาบุญอย่าไปเลี้ยงเอาคุณ จะไปเลี้ยงเอาคุณมากๆแล้วไปทวงเช้าเข้าทวงเข้าเช้าทวงเย็นทวงเช้าทวงเย็นฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เท้าฝ่าเท้าเล็กๆมาเนี่ยนะมาตอนนี้ทําไมไม่ระลึกถึงคุณของฉันบ้างเนี่ยนะถามว่าดีไหมแล้วลูกหลานจะกรตันอยู่เพิ่มไหมไม่ใช่เลยนะยิ่งหางมาก้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุพการีทั้งหลายเนี่ยหายากในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นบุพการีบางคนที่ไม่เข้าใจเพียงพอเนี่ยก็เป็นคนที่ทวงจริงๆ ทวงบุญทวงคุณทวงบุญทวงคุณอยู่นั่นแหละก็มีคนหนึ่งนะพูดถึงไอบุพการีที่เรียกว่าไม่ตั้งตัวโดยธรรมเนี่ยที่ตั้งอาะเรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นหวังเหเยือนนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งก็ไปสมัครงานใช่ไหมไอ้คนหนึ่งก็เห็นแล้วก็เอาถือว่าญาติกันก็เลยเรียกมาเอา้าบอกแกมาทํางานที่นี่นะแล้วก็พาไปสมัครงานก็ให้ทํางานได้ทีนี้นานๆเข้าไอ้คนที่พาเข้างานมันก็ทวงนี่นะแกนะทาไม่ได้ชั้นแกไม่ได้เข้างานหรอก ไอคนนี้กหมันไส้มากให้ห้าพันบอกว่าแกห้ามทวงอีกนะถ้าทวงอีกโดนแน่ขราวนี้ <c oughs> จ่ายเลยนะบอกรำคาญมากเลยคำนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบุพการีบุคคลเนี่ยบางคนถ้าถ้าไม่โยนิโสมนัิการให้ดีนี่เสียหายมากๆโด้วยซ้ำไปอนนะก็จึงเมื่อความดีที่เราทำลงไปก็ไม่ควรที่จะไปตามทวงอนนะพระโพธิสัตว์เคยมีไหมพระองค์ให้ทานนยาจบทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเก็บ ชื่อฉันเอาไว้ในใจว่าฉันเป็นผู้มีอุปการะแก่เธอทั้งหลายมากเคยมีไหมในชาดกอ่านเจอไห ม, ไ ม, ม, ไ, ม, มไม่มีเนี่ยนะไม่มีหรอกมีแต่พระโพธิสัตว์บอกว่าใครทำคุณกับเราเท่าไหร่บุคคล น, นั้นเป็นบุคคลที่ควรจดจำเนี่ยนะตรงนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ควรจดจำเป็นอย่างมาก ในเรื่องของกะตันยูเนี่ยนะก็นับว่าเป็นมงคลนะทวนว่าพยายามระลึกเสมอไว้ว่าผู้ใดมีอุปการะคุณต่อเราเช่นใดควรกำหนดจดจำเอาไว้ว่าเราจะได้มีโอกาสตอบแทนคุณเขาเพราะว่ากะตันยูก็คือระลึกถึงคุณใช่ ไ, ไหมกระตะเวทีก็คือทำตอบแทนเราจะได้ตอบแทนเขาบ้างจะได้ตอบแทนเขาคืนไปเนี่ยนะถ้าเรากะตันยูในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำยังไงไปตอบแทนใครดี ก็ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนนั้นก็ชื่อเรียกว่ากตัญญูแล้วเนี่ยนะชื่อว่ากตะเวทีแล้วเพราะพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรเราหรอกถึงเราไปกราบไปไหว้พระองค์เอาดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์พระองค์เอาไปประดับไหมไม่ได้เลยไม่ได้เอาไปประดับมันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเรานั่นแหละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเรากตัญญูก็ขอให้ได้ศึกษาแล้วก็ศึกษาคําสอนให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็นับว่าเป็น บุคคลที่หายากแล้วในโลกนี้นะมงคลที่ยี่สิบห้าก็ผ่านไปนะกระตันยู่ผู้การมีข้อคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องกระตันยูบ้างก็อย่างที่พระองค์ตรัสไว้นะครับว่า สิ่งที่หาได้ยากในโลกนะครับคือผู้ที่รู้คุณนะครับนะหรือว่าตอบแทนคุณเนี่ยนะครับหายากในโลกโอ้ไม่น่าเชื่อจะหายากในโลกจริงแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆครับโดยเฉพาะอ่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะท่านอย่าหวังเลยอย่างนันว่าว่าเขาจะรู้คุณเราแต่โดยมากคนทาแล้วมักจะคิด น่ว่าเออเราทํากับเขาเขาน่าจะรู้นะถ้าไม่รู้ก็เสียใจหรือว่ามันไม่น่าจะนะความจริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมผมก็อยู่กับคนหมู่มากนะแต่หาคนที่รู้คุณน้อยมากครับไม่ไม่ค่อยมีน้อยมากท่านตัดไว้ตรงจริงๆหาได้ยากในโลกนี่นะครับทั้งกตัญญูกะตะเวทีบุคคลเนี่ยหายากจริงๆ นะเพราะฉะนั้นเราควรเราควรที่จะต้องเป็นคนที่รู้คุณแล้วก็แล้วก็ตอบแทนคุณต้องเตือนตัวเองมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเวลาเวลาอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะผมจะอุทิศส่วนกุศลผู้ที่เคยอุปการะเร า, านะฮะนอกจากเนือนอกนอจากบุปการีนะครับนอกนอจากพ่อแม่นะฮะก็นึกถึงบุคคลที่เคย สงเคราะห์เราช่วยเหลือเรามานะฮะแล้วก็มันเตือนบ่อยๆว่าเราจะต้องตอบแทนนะเช่นมีผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยนะครับพอไปนานๆแล้วมักจะมักจะลืมนะฮะมักจะลืมแล้วการตอบแทนเนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยครับถ้าสมมติว่าเออนี่เขาเคยมีบุญคุณกับเรานะไปคราวนี้ควรจะไปเยี่ยมทักทีหนึ่งหรือว่าเออควรจะติดไม้ติดมืออะไรที่ไปทาให ท่านชื่นใจทั้งหน่อยอะไรเย่งนี้นะโอ้พอไปจริงๆเขาโอ้รถมันก็ติดเออมัน ก, ก็ไกลเอาไว้เขาหน้าเธอผ่านพิธีแล้วเขาหน้าเฮ้ยเขาโน่พิีีเธอนัานานที่เออเ ล, เ, ลเลยไม่ค่อยได้ทำเลยเพราะฉะนั้นทํายากจริงๆในเรื่องความดีนี่้เรื่องการตอบแทนนี่ทําทํายากจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดทําได้นะจึงเป็นมงคลจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงครับ ันผู้ที่เป็นบุพการีทั้งหลายเนี่ยนะก็เวลาทำกุศลก็ไม่ต้องหวังอะไรมากนะถือว่าเราได้ทําบุญไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะเก็บเอามาคิดในแง่ว่าเราได้สงเคราะห์ใครไปบ้างนะแต่ควรจะคิดว่าเราได้ทําความดีไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะควรคิดตรงนั้นคือคําว่ากตันยูถ้าถ้าดูตรงนี้เนี่ยนี่ไม่ควรไปคิดถึงบุคคลที่เราช่วยเขาแต่ควรคิดถึงบุญที่เราได้ช่วยเขาไป ควรนึกถึงตัวบุญใช่ไหมไม่ให้ไป น, นึกถึงตัวบุคคลนะบุคคลที่เราช่วยเข้าไปเราก็ไม่ต้องไปคิดแต่คิดถึงบุญที่เราได้ทําในสิ่งนั้นๆั้นไปอันนี้ก็เรียกว่ากระตันยูเนี่ยนะกะตันยูอันนี้แหละที่เป็นมงคลเพราะฉะถ้าเราช่วยเหลืออะไรใครแล้วก็มุ่งไปที่บุคคลใช่ไหมเราก็จะไปคอยทวงเขาคิดทวงเขาในความคิดนะ น, นะเสร็จ แ, แล้วก็ เขาก็ลืมไปแล้วอ่ะเพราะมันไม่ได้ปัจจัยให้มันคิดได้แบบนั้นอะนะเพราะว่ า, าการที่จะนึกถึงอะไรแต่ละอย่างมันก็ต้องได้เหตุได้ปัจจัยใช่ไหมมันจึงจะนึกได้ทีนี้ถ้าไม่ได้ปัจจัยเขาก็ลืมไปเมื่อเขาลืมไปแล้วเขาจะไปนึกอะไรทีนี้ไอ้ฝ่ายหนึ่งมันก็จําอยู่แต่ฝ่ายเดียวะนะว่าเขาคงนึกถึงเราบ้างก็จะได้แต่ความผิดหวังปลับไปเพราะฉะนั้นนึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้เนี่ยจึงเป็นกระตันยูไม่ควรไปนึกที่บุคคลแต่ถ้าบุคคลนะบุคคลใดที่ช่วยเหลือ เรามาเนี่ยนะบุคคล น, นั้นควรจดจําแม้กระทั่งจะช่วยช่วยเรามากช่วยเราน้อยไม่สําคัญแต่ว่าบุคคล น, นั้นก็นับว่ามีอุปการะต่อเรามากเนี่ยนะพูดถึงเรื่องการรู้คุณนี่นะฮ ะ, ะผมมีเรื่องเล่าให้ฟังคือไปคุยกับผัวเมียคู่หนึ่งคุณนายเกิดถูกชะตาไงไม่รู้ เลยให้สตังค์เขาไปทำทุนนะเขาจะขยายลนะ้วมันด้ครับให้เข้าไปสนะักสองหมืนหรือหมื0นห้าอะไรเนี่ยหนุ่ยไม่รู้จักกันเลยคุยไปคุยมากขาขายกาแฟเนี่ยกินถูกออคอก็ให้เขาไปเลยเ็าบอกเออจะไปขยายร้านอย่างนี้นะพอให้ไปแล้วเขาก็ไม่ได้ขยายครับเขาก็หนีกลับไปกรุงเทพเลยนะ แล้วก็เออก็ลืมเลยลืมตั้งสิบกว่าปีน่ะมีอยู่วันนึงเขามาโห้ยเขามาหานะครับเขามาหาตามผมควักเลยเขาไปถึงบ้านผมนู่นน่ะนะฮะก็เอาเงินมาคืนเขาบอกเขาไม่สบายใจเลยเขาบอกงั้นนะภรรยาเขานะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีฐานะมีอะไรแล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่สบายใจเลยเขาคิดถึงทีไรนะเขาดันด้นมาค้นหาผมยังก็โอ้โหต้องใช้นักสือมาสืบมากกว่าจะเจอผมเลยนะ แต่เขาก็มาให้นะผมลืมไปเลยนะครับนึกหน้าไม่ออกเลยนะเขาให้เขาไปไหลเนี่ยนี่อั น, น